บุ๊ก <Book> 2ห้าควินประเทศและภาษาลอนดอยไคลิงโว่จอร์นมาจากลอนดอนโยฮานอเอสตัสเอลลอนโดนา l อ n d o n อยู่ในประเทศอังกฤษ l o n d o n เ situas en b r i t บริทเขาพูดภาษาอังกฤษ Li parolas la Anglan มาเรียมาจากมาดริดม a r i a e s t ส s el m a d r i ดริด d ม i ดริดอยู่ในประเทศสเปน เธอพูดภาษาสเปน Peter าาเธอพูดภเปเธอพูดภาษาสเปนเธอพูด l า s า a h i s p a n a ูาษเปนเธอร์ดภาษาสเนเธอพูดภาษาสนอพูดภาษเปนอพูปนเอพูดภเปนเธอพูดภาปนเอเนเอพูดนปเเอน คุณทั้งสองพูดภาษาเยอรมันใช่ไหมัมบาวีพารอลาสลาเยร์มานัลอนดอนเป็นเมืองหลวงลอนด o นอ็อสตัสเชฟูร์แมดริดและเบอร์ลินก็เป็นเมืองหลวง ค่ายเบอร์ลินอ้างว่เเมืองหลวงใหญ่และเสียงดังเชฟูร์บอยเอสตัสแกรนด์ได้ Bru ยบยประเทศฝรั่งเศสอยู่ในทวีปยุโรปฝรั่งเศสตั้วสปประเทศอียิปอยู่ในทวีปแอฟริกา e g y p t y o s i t u a s en Africa. Paet Japun yo s i t u a s en Asia. Paet Canada y s i t u a s en Nordamerica. ประเทศปานามาอยู่ในทวีปอเมริกากลางประเทศบราซิลอยู่ในทวีปอเมริกาใต้การุณาไปที่